ธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีหมวนที่หกโดยพระมหาเพระติตะสีโลจเจริญศุขท่านสาธุชนผู้ฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้บรรยายธรรมในหมวดที่สามว่าด้วยคุณของรัตนะสามอย่างซึ่งเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและแก่ผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ต่อไปคราวก่อนได้ว่าถึงเรื่องรัตนะสามเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ก็มาถึงคุณของลัตนะสามบ้างคุณของรัตนะสามก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยข้อสองพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วข้อสาม พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นได้กระทำตามด้วยทั้งหมดนี้เป็นคุณของลัตนะฉะนั้นก็จะได้บรรยายแต่ละข้อข้ อ, ขอไปเพื่อจะขยายความให้ท่านผู้ศึกษาหรือผู้สนใจในธรรมได้มีความรู้ความคิดเห็นกว้างขวางออกไปอีกฉะนั้นในบทแรกที่บอกว่า พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยที่ว่ารู้ดีรู้ชอบนั้นคือรู้อะไรอันนี้เราควรจะตั้งปัญหาขึ้นก่อนที่ว่ารู้ดีรู้ชอบนั้นก็คือหมายเอาว่ารู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่แปลว่ารู้ความจริงอันประเสริฐหรือจะแปลว่ารู้ความจริงของพระอริยเจ้า หรือจะแปลอีกในหนึ่งว่ารู้ความจริงที่ปราศจากข้าศึกคือกิเลสตัณหานี่ฉะนั้นการที่ว่ารู้ดีรู้ชอบนั้นก็คือรู้อริยสัจสี่ดังที่ว่ามาชะนี้ทีนี้อริยสัจสี่คืออะไรก็คือหนึ่งรู้ทุกสองรู้เหตุให้เกิดทุกสามรู้ความดับทุกสี่ รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์และคําว่าทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วนะคําว่าด้วยพระองค์เองนนั้ในที่นี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อรยิยสัจนั้นทรงรู้ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์เองหามีใครเป็นครูบาอาจารย์ของพระองค์ไม่ฉะนั้นที่พระองค์ได้รู้อย่างนี้พระองค์จึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทโธ คือเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองนี่ฉะนั้นก็จะขยายเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจให้กว้างขวางออกไปอีกสักนิดหน่อยในข้อแรกที่บอกว่าอารู้ทุกในคําว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกนั้นมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งสภาวะทุก สองตากินอากาศทุกสภาวะทุกขก็ได้แก่ทุกที่มีประจําสังขารประจําตัวตนของเราทุกๆคนก็ได้แก่การเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกหรือดังที่เราได้สวดมนต์ธรรมวัดกันที่บอกว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุก ชราปิทุกขาความตายก็เป็นอ่าของประทานโทษความแก่ก็เป็นทุกมรนามปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกฉะนั้นทุกทั้งสามอย่างนี่แหละเรียกว่าสภาวทุกคือทุกที่มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นมีประจําตัวของเราทุกทุกคนคือคนเราทุกคนนั้นพอเกิดมาก็ต้องเป็นทุก ความหมายของคำว่าทุกนี้คือสภาวะที่ทนได้ยากนะคือสภาวะที่ทนได้ยากพูดง่ายๆอ ย, ย่างเช่นว่าเรานั่งมันเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนรนบทเป็นยืนยืนมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนเป็นเดินเดินมันเมื่อยเราก็อ่านเปลี่ยนเป็นนั่งเป็นนอนเนี่ยเปลี่ยนอยู่ด้วยเพราะว่า ความทุกข์นั้นมันมันบีบคั้นนะมันท้าให้ไรให้เราเกิดความขับแค้นนะจึงต้องเปลี่ยนอิบทอยู่ด้วยไม่สามารถจะทนนั่งอยู่อย่างนั้นได้ไปตลอดวันไม่สามารถจะยืนอย่างนั้นไปได้ตลอดวันก็จึงได้เปลี่ยนไปด้วยอ่า น, นี่ความหมายมของคำว่าทุกข์ี่ความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงว่าคนเราเมื่อเกิดมานั้นประสบกับปัญหาความทุกข์มากเหลือเกินร้อยแปดพันอย่างแล้วทุกข์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน ที่เขาพูดว่าทุกร้อยแปดนะนั่นแหละคือไม่เหมือนกันทีนี้ที่บอกว่าความเกิดเป็นทุกข์น่ถ้าเราจะพูดกันตั้งแต่เรียกว่าทุกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอย่างนั้นก็ได้นะคือหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิตั้งแต่เริ่มเป็นกาละะเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ในคันของอผู้เป็นแม่นั้นอนะ่ะอันจุดนั่นแหละมันก็เริ่มเป็นทุกเริ่มยังไงคือมันไม่สามารถจะทนที่จะ อยู่ในสภาวะเดิมได้มันต้องค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนนานเข้าก็แตกเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นมือเป็นเท้าอ่าเป็นศรีรษะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันขยายไปเรื่อยๆนี่มันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์จนที่สุดก็คือออกมานะออกมาภายนอกแล้วก็เป็นทุกข์ต้องรับภาระแบกบภาระน า, นานาประการนะเป็นเด็กก็ ต้องศึกษาเล่าเรียนอ่าพอต่อเรียนจบแล้วก็ต้องหางานทําอ่าต้องทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีเย่ามีเรือนมีสามีมีภรรยาเมื่อมีภรรยาก็ต้องมีบุตรอะไรมันเป็นลูกโซ่เป็นห่วงผูก พ, พันกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนนี่แหละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์มากพอมีตัวมีตนพอมีขันท่าเท่านั้นแหละทุกเหลือเกินไอ้ทุกข์ที่เราจะต้อง คอยปะคับประคองบริหารขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่แล้วนะเป็นทุกข์อย่างมากอยู่แล้วทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่มันก็ทุกข์หนักอยู่แล้วอืมฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเราทุกคนนี้ที่เราทุกคนที่เกิดมานี้รู้สึกว่าจมกันอยู่ในกองทุกข์นะกลัวทุกข์แต่ว่าไม่กลัวการเกิดแต่พระพุทธองค์นั้นไม่ประสงค์จะเกิด ไม่ประสงค์จะเกิดพระพุทธองค์จึงได้ทำลายทำลายไอ้ตัวที่เกิดจึงได้ตรัสบอกว่าทุกขาชาติปุณะปุนังว่าการเกิดขึ้นบ่อยๆนั้นมันเป็นทุกข์ว่าการเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าเล่าเวียนว่ายตายเกิดแม้มันทุกข์เหลือเกิดแล้วการเกิดของคนเรานั้นไม่ใช่ว่าชาตินี้มาเป็นคนแล้วตายไปแล้วต้องเกิดเป็นคนไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจว่าคนเราเป็นอะไรแล้วตายไปก็เกิดเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็จะกลายเป็นสัตว์ต่ทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเอความเห็นว่าเที่ยงเอเป็นวัวเป็นควายตายแล้วก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นคนก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้างั้นคนที่เป็นโจรตายไปแล้วก็ต้องเป็นโจรเออคนดีตายไปแล้วก็ต้องเป็นดีคนชั่วตายไปแล้วก็ต้องเป็นชั่วอย่างนี้มันก็ผิดหลักความจริงไม่ได้ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกเกิดเป็นคนแล้วก็อาจจะไปเกิดในอบายภูมิได้เป็นเปรตก็ได้เป็นจักรนรกก็ได้ เป็นสัตว์เดือยฉานก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้หรือจะสูงขึ้นมาก็เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้หรือเกิดเป็นเทพปยดาหรือไปเกิดเป็นอพรหมอไปเกิดเป็นถ้าอรหันต์อะไรนี้ได้ทางนั้นฉะนั้นมันไม่แน่ว่าเราจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเกิดเป็นทุกข์นี่ยพระพุทธองค์จึงได้บอกว่าเราไม่ควรเกิด ไอ้คำว่าไม่ควรเกิดนี่หมายถึง ว, ว่าควรจะทำลายกิเลสปัญหาให้หมดสิ้นกันไปอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอิดเลยนะเพราะว่าการตราบใดที่เรายังเวียนไหวตายเกิดตราบนั้นเราก็เท่ากับว่าเรายังท่องอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์อ่ามันมากมายกายกองที่เราจะต้องรับภาระแบกบภาระและก็ต้องประสบอุปสรรคกับปัญหานาน า, น า, นาประการยังแค่ปัญหาเราน้ําท่วม แค่นี้เราก็บ่นกันแทบตายเลย ว, ว่ามันทุกขนะ์น่ะนะนี่ยเพราะเราเกิดมามันจึงต้องประสบกับปัญหาอย่างนี้อ่าบางครั้งก็ฝนแรงอ่าฝ น, นแรงเราก็บว่นว่าแม่ร้อนเหลือเกินลำบากเหลือเกินอ่านี่แหละเขาจึงบอกว่ามนุษย์อ่าเรียกว่าฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ดา่านะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์นะฉะนั้นไม่เกิดเสียได้นั่นแหละจะเป็นสุข นะจะเป็นสุขก็คือนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นบรมสุขนะนี่ก็พูดเพียงย่อๆในข้อในข้อที่สองที่บอกว่าแก่เป็นทุกชร า, าปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกอันนี้เราก็เห็นชัดนะเห็นชัดเลยว่าความแก่เป็นทุกอย่างไร คนเราพอแก่พออายุมากเข้าไอ้สังขารคือร่างกายหรืออวัยวะทุกส่วนมันก็ร่อยหรอสึกหรอไปเสริมสลายไปอันนี้มันเป็นเป็นหลักความจริงของสภาวะธรรมเป็นหลักความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเกิดก็ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มไอ้ตอนเป็นหนุ่มกําลังวังชาก็ดีสติปัญญาก็ดีอหูตากดีทั้งนั้น แต่พอแกไปแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดไอ้ผมที่เคยดำมันก็หงอกขาวเป็นรากเจอกนะหรือเป็นดอกเลา่าอืมไอ้ตาที่เคยดูอะไรได้เห็นชัดมันก็ฟ้าฟางไอ้หูที่เคยฟังอะไรได้แจ่มแจ้งมันก็รู้สึกว่ามันหนักมันตึงนะฟังไม่ได้ยินอ่าแล้วเมื่อฟังไม่ได้ยินก็รู้สึกว่าเรานี่คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นคนอ่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอ่า บางครั้งเห็นใครก็ไม่ทักอ่าไอ้จริงๆที่ว่าไม่ทักไม่ไรเพราะไม่รู้จักจําไม่ได้เนี่ยเพราะแก่แล้วมันจําไม่ได้เขาพูดอะไรก็ทั้งๆ ท, ที่พูดใกล้ๆก็ไม่ได้ยินทําเป็นเมินทําเป็นเหมือนว่าไม่สนใจนะเป็นเหมือนไม่สนใจในจริงๆแล้วก็คือว่าพอแก่แล้วหูมันหนักต้องพูดดังๆถ้าเขาพูดดังก็หาว่าเขาพูดตะเคาะนะหาว่าเขาว่าพูดค่อยๆก็ได้ทำไมต้องพูดดังนี่หาว่าเขาว่าอีก ไอ้คันเขาพูดค่อยก็ไม่ได้ยินอ่ามันยากเนี่ยคนแก่เทฉะนั้นจึงบอกว่าความแก่นี่แหะมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะเป็นทุกข์อย่างนี้ไอ้เนื้อหนังมังสาที่มันเคยเป่งปลั่งมันก็เหี่ยวยดย่อนยานอ่ไอ้ฟันที่เคยมั่นคงแข็งแรงมันก็โยกลอนมันก็หักไปอ่าจะกินอาหารอะไรมันก็ไม่สมใจนึกนะจะเคี้ยวเนื้อหมูเคี้ยวกะโหลกหมูไม่ได้แล้วนะไม่ไหวแล้วหลือแตงเหงือกเนี่ยอย่างนี้เนี่ย จึงได้เห็นชัดอยู่เลยว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์จะลุกทีก็อดโอยลงนั่งทีก็อดโอยอลุกทีก็ขอประทานโทษเถอะต้องยกก้นขึ้นก่อนนะจะลงนั่งก็ต้องเอามือลงไปก่อนนี่หรือบางคนถึงกับเดินนี่ต้องหาไม้เท้าขึ้นมานี่ต้องช่วยแล้วนี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะความแก่นะทีนี่ความแก่ที่เป็นทุกข์อย่างนี้แหละมันก็ทรมานนะทรมานพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า คนเราพอแก่แล้วนี่มันลำบากแล้วความแก่นี่เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าเบื่อนายตัวเองก็รังเกียจตัวเองนะคนแก่เนี่ยรังเกียจตัวของความเป็นคนแก่นะแม้คนอื่นก็เบื่อนายในความเป็นคนแก่นะแค่นั้นยังไม่พอในคนแก่นี่ย่อมเบื่อนายทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากมันไม่อยากจะทาอะไรแล้ คือมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันหอบเนียมันเหนื่อยมันหอบมันทาอะไรมันก็เก๊ๆเก๊กังๆังอยากจะเดินให้ได้สมใจอยากให้มันคล่องมันแค่วจะขึ้นจะลงมันไม่กระชับกระเฉงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนานี่แหละสังขารมันเป็นอย่างนี้มันฝืนความปรารถนาของเรามันไม่เคยตามใจเราเราไม่อยากให้ผมนี้มันงอกมันก็งอก ไม่อยากให้ตาป้าฟางมันก็ฝ่าฟางไม่อยากให้หูตึงมันก็ตึงไม่อยากให้ฟันมันโยกคลอนหักไปมันก็หักไปไม่อยากให้หนาเหี่ยวไม่อยากให้เนื้อหนังเหี่ยวย่นมันก็หยวย่นหย่อนยานนี่แหละมันเป็นอวัยวะที่ไม่เชื่อฟังเราไม่ฟังตามเรามันเฟื่นความปรารถนาของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความแก่อย่างนี้แหละท่านในแบ่งออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งแก่ปิดสองแก่เปิดนะเรียกว่าอัปติชนะชรากับปฏิชันชชรา ไอ้แก่ปิดก็คืออย่างเช่นคนท้องแก่หรือเรียกว่าคนตั้งครันไอ้คนท้องแก่คนตั้งครันเนี่ยอเราเราเรียกกันว่าแก่ติดนะแก่ปิดคือมันปิดยังไงไอ้จริงๆแล้วก็คือว่าไม่ได้ท้องแก่ลูกมันแก่อลูกข้างในแก่ไอ้ลูกมันแก่เข้ามันก็ดันท้องให้เติข้าแต่เรามาเรียกกันว่าท้องแก่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละเรียกว่าแก่ปิดนะ ทองมันปิดไว้เอาพอคลอดออกมาแล้วอย่างนี้แก่เปิดอยังพวกเราที่เอ็นเห็นกันทุกวันนี้นี่แก่เปิดเห็นหมดทุกส่วนเลยตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังหูฝ้าตาฟัางอะไรก็แล้วแต่นี่เราเห็นชัดเลยทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏให้เรามองเห็นผมหงอกเนื้อหนังเหี่ยวอะไรนี่เราจะเห็นชัดเลยการเดินเหินรู้สึกมันไม่กระชับกระเชงมันแก่ๆ ก, กังๆงะๆอะไรไปหมดเลยนี่แหละจึงบอกว่าความแก่เป็นทุกข์นะความแก่เป็นทุกข์ ข้อที่สามแม้ความตายก็เป็นทุกข์อะไรที่ ว, ว่าความตายเป็นทุกข์ก็คือว่าประการแรกก็คือทุกข์เพราะไม่อยากจะตายอ่านี่ทุกข์เพราะไม่อยากจะตายอย่างหนึง่งและคนเรานั้นอ่ะเมื่อหมดชีวิตหรือว่าชีวิตจะต้องตายไปนี่ก็เท่ากับว่าความสุขมันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนียมันหมดไปซะแล้วเนีบางคนนี่ กำลังเสวยสมบัติอยอย่างไพบูรณ์อย่างอย่างดียิ่งอย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปไปต่างๆ น, น, นานาคือต้องตายนี่แหละไอ้ความสุขที่ตนกําลังเสวยอยู่นั้นหมดเลยลาบยศชื่อเสียงวงตระกูลที่กําลังชื่อเสียง隆ดังอยู่ดีคิดดีก็ลอยสูญไปด้วยฉะนั้นนี่แหละบอกความตายมันก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่แน่ว่าเมื่อเราตายไปนั้นอ่ะเราจะไปเกิดในสุคติหรือทุคติบางทีเราก็อาจจะไปทุคติก็ได้ อจะไปสุคติก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมของคนเราว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราเป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์อเป็นคนทรมานสัตว์หรือว่าเป็นคนชอบเอาเปรียบผู้อื่นหรือเป็นคนผิดประเวณีเป็นคนชอบพูดจาเลหลวไหลไรสาระหรือเป็นคนชอบดึงสุราเมรัยอันนี้มันก็แน่นอนที่สุดถ้าตายไปแล้วก็ไปทุกคติ ดิ่งเลยอย่างนี้ดิ่งเลยเห็นชัดเลยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าจิตเตสังิคิสเถ ท, ทุคติปาติกังขาคนเราเมื่อใกล้จะตายถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองก็ไปทุคติอ่าไปทุค ต, ติไอ้คำว่าทุคติก็คือไปเกิดในที่ไม่ดีไปเกิดในที่ชั่วก็คืออมไยภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ไปเกิดได้ทั้ง ตรงกันข้ามจิตเตอาสังทิริตเถสุขติปาติกังขาถ้าก่อนจะตายจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจเบิกบานนึกถึงบุญทานการกุศลที่ได้ทำไว้อย่างนี้แล้วก็ไปสุขติคือไปดีไปสุขติโลกสวรรคนะ์เข้าสู่พรหมโลกนะอย่างนี้ไปดีอาจจะตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ได้หรือไปเกิดเป็นเทพประรเทพธิดาก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกก็ได้นี่อย่างนี้เรียกว่าไปเกิดในสุขตินะ ฉะนั้นสรุปแล้วว่าสภาวะทุกทุกทั้งสามคือเกิดแก่ตายแต่เรามักจะพูดกันว่าเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มพยาธิเข้ามาอีกรู้สึกว่าอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านภาษาพูดที่เราจะพูดกันค่องๆว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี้เราป้องกันไม่ได้พระพุทธองค์บอกป้องกันไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังต้องแก่ก็ยังต้องตายอย่ายังต้องนิพพานว่ากันเถอะก็คือตายนั่นแหละ นะฉะนั้นคนเราเหมือนกันเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่เมื่อแก่มาแล้วต้องตายที่ให้เราได้พิจารณาในอภินหาปัจจเวคขณะว่าเราควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ไปได้เรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความเจ็บปวดป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้นี่อันนี้มันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดา ไอ้ที่คำว่าเป็นธรรมดาก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลกมันเป็นธรรมะที่มีอยู่คู่โลกนะนะไม่ได้ตายแต่เราคนอื่นก็ตายไม่ได้ตายแต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่คนอื่นก็ตายอ่าไม่ได้แก่แต่เราคนอื่นก็แก่ไม่ได้แก่แต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่คนอื่นก็แก่ญาติพี่น้องของเราก็แก่ของคนอื่นก็แก่แก่ทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะประเทศไหนชาติไหนนี่ก็มีการเกิดแก่เจ็บตายทางนั้นนะ นี่มันเป็นธรรมดาก็คือมันเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นของคู่โลกฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นปรากฏกับใครก็เราก็ต้องทำใจให้เป็นธรรมดาก็คืออย่าไปเสียใจเพราะตัวเราก็ต้องเป็นเขาก็เป็นพ่อแม่ของเราก็เป็นพ่อแม่ของเขาก็เป็นญาติของเราก็เป็นญาติของเขาก็เป็นนี่ฉะนั้นแต่ที่เราเป็นทุกข์กันมากก็คือหนึ่งเราตัวจะไม่ได้เกิด เวลาจะทำบุญสุนทานทิ้งเอาแล้วยกจบจคุณเจ้าพ่อคุณเกิดชาติใดแสนใดขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยรัตตอรี่หรือขอให้มีบ้านมีรถอะไรอย่างนี้หรือเจ้าพ่อคุณเกิดชาติใดแสนใดก็ขอให้รูปสวยรวยทรัพย์อนับวิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราปรารถนาการเกิดอยู่กันทุกชาติทุกชาตินะฉะนั้นเรากลัวว่าเราจะไม่ได้เกิดนะเรากลัวว่าเราจะแก่ เราจึงได้พยายามสรรหาพวกเครื่องต่างๆเอามาชะลอความแก่กันอ่าก็เป็นผลประโยชน์สําหรับนายทุนก็รวยไปพวกเราก็จนไปเพราะจะต้องหมันไปซื้ออยู่เรื่อยนะซื้อเครื่องมาปะเทืองความชะลอความแก่ต่างๆนะนะนะกินยากันที่โฆษณาต่างๆกินแล้วก็ทําให้อ่าไม่แก่กินแล้วทําให้มีกําลังกระชุ่มกระชวยอา่าไอ้ตีอย่างนั้นทาผิวแล้วก็ทําให้ผิวเ ป, ปลี่ยนแปลงทําให้เต่งตึง แนบเนี่ยนติดทนนานอะไรก็แล้วแต่หรือเอามาย้อมผมอะไรกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเอพอไม่นานมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมอีกเอสู่สภาพเดิมอีกฉะนั้นเท่ากับว่าเราพยายามไปฝืนความจริงของโลกพยายามที่จะฝืนความจริงกฎธรรมดาของโลกซึ่งมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่มันก็ฝืนไปไม่ได้ฝืนไปไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นทุกข์เพราะกลัวจะแกะ่ เราเป็นทุกข์เพราะกลัวจะตายอแล้วบางครั้งก็ยังไม่ทันตายเราเป็นทุกข์มากอไม่รู้ว่าตัวเองจะตายไปเป็นอะไรจะได้มาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราสบายเราก็คิดว่าเราตายไปแล้วจะได้มาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าจะเกิดมาสบายอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นทุกข์เราลําบากเราเราก็คิดว่าเอถ้าเราตายไปแล้วก็อาไม่อยากจะอยู่อย่างนี้อีกอยากให้มันสบายกว่านี้อีกเนี่ยเราวิสตกเราทุกข์ไปหมดเลย นะบางคนนี่เวลาจะตายนี่แหม่ํา่ำเพรื่อทุรนตุลายอ่าอย่างนี้แล้วก็ไปไม่ดีแต่ถ้าใครก่อนจะตายแล้วก็นึกถึงบุญทานการกุศลบางคนนี่ยังสวดมนต์ได้มีสติปัญญาดีอย่างนี้ก็แน่นอนไปสุขตินะสบายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราอ่ะมีสติปัญญารู้เท่าทันว่าเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายเป็นธรรมดานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารในขันห้า ออย่างนี้เรียกว่าสภาวะทุกข์แล้วประการที่สองปากินนกะทุกทุกเล็กเล็กน้อยน้อยหรือบางทีอาจจะเรียกว่าอาคันตุกะทุกทุกที่มันจรมาเหมือนกับแขกอ่าอาพวกอาคันตุกะนี่เหมือนกับแขกแขกที่มาหาเรามาเยี่ยมเยือนเราหรือบางทีเขาก็เรียกว่าทุกขจรอเป็นทุกข์ที่จรมาฉะนั้นจะเป็นปากินนากะทุกอาคันตุกะทุกหรือว่าทุกขจรก็ดี ก็อยู่ในทุกเดียวกันแต่ชื่อว่าปกินกะทุกที่บอกว่าทุกเล็กเล็กน้อยๆอยเนี่ยชื่อว่าเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะขอให้ท่านพูดฟังลองนึกดูมันยิ่งใหญ่จริงๆและที่เราประสบปัญหากันทุกวันนี้ก็เพราะทุกอย่างนี้นะทุกอย่างนี้แหละในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอะไรอย่างที่เราสวดมนต์กันว่าโศกะปริเทวทุกขะโทมนัตอุปายาสะ อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิดชังนรพปติตามปิตุกขงังสังขิตเตนะพันถุปาทานนักขันถาทุก ข, ขานี่คือถ้าแปลแต่และตัวก็คือว่าโศกกะก็คือความเศร้าโศกริเทวะก็คือความร่ำไรความคร่งครวนทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัตก็คือความเสียใจ อุปายาสะก็คือความตรอมใจนะความตรอมใจความระทมใจอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขนะคือหมายถึงว่าประสบในสิ่งที่ไม่น่ารักเราก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขทัดท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นี่ได้สิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์และสิ่งที่รักต้องจากไปก็เป็นทุกข์ ยัมปิดฉังนรพติตัมปิทุกขงังไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์นะสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาสรุปโดยย่อแล้วก็คือทุกขในขันธ์ห้าอ่าคือรูปเวทนาจัญญาสังขารวิญญาณพอมีรูปเวทนาจัญญาสังขารวิญญาณทุกที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นอยู่ในนี้ทั้งนั้นพอมีขันธ์ห้าก็เรียกว่า ทุกต่างๆก็มารวมหมดนะมารวมหมดถ้าไม่มีกันห้าทุกอื่นก็ไม่มีนะไม่มีฉะนั้นนี่แหละพวกนี้เราเป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์มากน้ำท่วมนี่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนานี่เราเป็นทุกข์อีกแล้วเอาฝนแล้เนี่เราก็ไม่ชอบอีกแหล้นี่เราเป็นทุกข์อีกแล้วนะแล้วไอ้สิ่งที่เราปรารถนามันก็ไม่ได้เราก็เป็นทุกข์อีกนี่หรือไอ้สิ่งที่เราชอบใจมันต้องจากเราไปอยู่กับเราเพียงช่วครั้งชั่วคราวมันก็สูญหายไปจากเราไป เราก็เป็นทุกข์อีกนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นชีวิตประจําวันเราทุกข์อยู่กับอย่างนี้ทนะุกข์อย่างนี้ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าให้เรานั้นต้องรู้จักรู้จักแก้ปัญหาเมื่อเราประสบความทุกข์อย่างนี้เราจะต้องรู้เหตุเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ต้องรู้เหตุที่จะให้เกิดทุกขนะ์ฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ว่ามีสองประเภทคือสภาวะทุกข์ ทุกที่มีประจําตัวของเราแล้วก็ประกิณกับทุกคือทุกเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อันนี้เป็นทุกที่อยู่ภายนอกแล้วมันเข้ามาทีหลังการเข้ามาของทุกหรือเกิดของทุกนั้นก็แล้วแต่สมุดฐานแล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันมันเหมือนกับแขกถ้าเราซ้อนรับเรายินดีกับแขกเป็นประจําอแขกนั้นก็มาบ่อยๆฉะนั้นทุกเหมือนกันถ้าว่าเราไม่หาวิธีป้องกันมันก็จะเข้ามาบ่อยๆ และบางอย่างเราก็เปิดตะตูให้ทุกข์เข้ามาโดยไม่รู้ตัวไปนึกว่ามันเป็นสุขจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์นะบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเราจะต้องหาทางป้องกันอนะหาทางป้องกันอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้เรานั้นรู้จักสำรวมระวังนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดี หูฟังเสียงจมูกลมเปลี่ยนลิ้นมลิ้มรสด้วยท้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่ต้องระวังต้องมีสติให้รู้จักความพอดีให้รู้จักว่าที่ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกลมเปี่ยนนั้นให้รู้เท่าทันต่อว่าอสิ่งนั้นมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่กับเราสักปันหนึ่งมันก็ต้องจากเราต้องจากเรา นะถึงเราไม่จากมันมันก็จากเราเนี่ยต้องมียางไฟหนึ่งไฟใดต้องจากกันไปอันนี้มันเป็นธรรมดาแล้วภัยธรรมชาติอย่างเช่นว่าเกิดอุทกภัยวาตภัยอาคีภัยอันนี้เราก็ไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องประสบแต่เมื่อประสบแล้วเราก็ต้องหาทางแก้และบางครั้งเราก็ต้องมีความอดทนนะีต้องมีความอดทนนะทนลําบากทนตรากตรํำทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจเนะี่ยต้องอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาเข้าแก้ไข อันนี้แหละทุกต่างๆก็จะเบาบางลงไปทีนี้เราต้องมาดูสมุทฐานของทุกข์อีกด้วยก็คือตัวสมุทฐายคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อนะ่าก็คือตัวตัณหานี่ตัวตัณหาความอยากความทยานอยากจนเกินพอดีนะเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นมานี่เกิดเพราะมีตัณหาท่านเองให้ตัวตัณหานี่แหละอ่าพูด ภาษาชาวบ้านมันทําให้คนเรานั้นตาหันนะไอ้ตัณหาก็คือทําให้เรานั้นตาหันบางครั้งก็เห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยตามันหันกลับไปซะเมื่อหันกลับไปแล้วมันก็มืดนะมันมืดมองไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเรานั้นตกอยู่ในอนํานาจกิเลสต้องหันตาเข้าไปมองดูไปจับดูอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เป็นได้สัมผัส นี่แหละเรียกว่าต้องตามไปกับอารมณ์ที่มายุ่ยยวนทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจึงไมเรียกว่าเป็นตัณหาทําให้ตาหันนะทีนี้อะไรเป็นตัณหาบ้างหนึ่งกรรมตัณหาคืออยากในกรรมนะอยากในกรมอยากในความใคร่อสองภาวะตัณหาคืออยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากอยู่ในพบเป็ดในพบข้อสามวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็น นี่พูดแปลตามภาษาบาลีแต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะไม่อยากมีไม่อยากเป็นทีนี้ในข้อแรกที่บอกว่าการมาตัญหาก็คือความทยานอยากในกามในความใคร่อ่าไอ้คาว่ากามคือความใคร่ตัวนี้ก็หมายถึงว่าใคร่ในรูปใคร่ในเสียงใคร่ในเลียนใคร่ในรสใคร่ในการสัมผัสนะบางทีพวกเราพอพูดถึงกามนี้เรามากักจะ รู้ที่ไปแต่เพียงว่าอย่างสามีภรรยาต้องเสพสังวาสกันอ้อยู่ในธรรนองแค่นั้นอันนี้มันตื้นไปแคบไปจริงๆแล้วการเสเนี่เราไม่ได้เสพแต่ทางนั้นอย่างทางเดียวเรายังเสพขึ้นในทางตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เราเสพได้ทางนั้นเราเสพได้ทางนั้นตาเห็นรูปนี่ก็เหมือนกับว่าเสดทางตาเสดทางตากินทางตา เรากินเข้าไปทางตากินทางหูได้ฟังเสียงได้กินก็คือว่ากินทางจมูกรสก็คือกินทางปากเนี่ยอันนี้แหละทุกต่างๆก็จะเบาบางลงไปทีนี้เราต้องมาดูสมุกฐานของทุกข์อีกด้วยก็คือตัวสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่าก็คือตัวตัณหานี่ตัวตัณหาความอยาก ความทยานอยากจนเกินพอดีนะเนี่ยทุกขมันเกิดขึ้นมานี่เกิดเพราะมีตัณหาท่านเองไอ้ตัวตัณหานี่แหละอพูดอภาษาชาวบ้านเลยมันทําให้คนเรานั้นตาหันนะไอ้ตัณหาก็คือทําให้เรานั้นตาหันบางครั้งก็เห็นกองจักเป็นดอกบัวเนี่ยตามันหันกลับไปซะเมื่อหันกลับไปแล้วมันก็มืดนะมันมืดมองไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง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 อยากในกามอยากในความใคร่สองภาวะตัณหาคืออยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากอยู่ในพบติดในพบ้อสามวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นอ่านี่พูดแปลตามภาษาบาลีแต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะไม่อยากมีไม่อยากเป็นทีนี้ในข้อแรกที่บอกว่ากามตัณหาก็คือความพยานอยากในกามในความใคร่อ่า ไอ้คาว่ากามคือความใคร่ตัวนี้ก็หมายถึงว่าใคร่ในรูปใคร่ในเสียงใคร่ในกลิ่นใคร่ในรสใคร่ในการสัมผัสนะบางทีพวกเราพอพูดถึงการนี้เรามักจะอรู้จี้ไปแต่เพียงว่าอาอย่างสามีภรรยาอาต้องเสพสังวาดกันไออยู่ในทรรนองแค่นั้นอันนี้มันตื้นไปแคบไปจริงๆแล้วการเสพนนเนี่ย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 เค้น อ, อย่างนี้ก็กินเหมือนกันให้เสบก็คือกินเข้าไปนะเป็นทางที่เข้าไปฉะนั้นเราก็จึงถ้าพอใจเราก็เกิดความอริดอร่อยทางตาอริดอร่อยทางหูอริดอร่อยทางจมูกทางปิ่นอริดอร่อยทางรสนี่ไม่จะหมายถึงว่าไอ้ความกินหรือเสพนี้จะเข้าทางปากเข้าทางทวารอะไรย่งแค่นั้นฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจอออกไปอย่างกว้างขวางแล้วก็อย่างถูกต้องอีกด้วยนะว่า ไอ้ความที่เราเส็บนั้นน่ะมันเจ็จทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทงางใจก็ได้นะก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราเอาทุกคนนั้นก็คือยังติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะยังติดอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ดีรั ง, ย, งยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนะเป็นอยู่อย่างนี้นะ เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดทุกโลกทุกนาบนะฉะนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอะไรควรไม่ควรนี่ตรงนี้สำคัญนะตรงนี้สาคัญมากถ้าหากว่าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเราก็จะทำตามอำเภอใจเมื่อทำตามอำเภอใจแน่นอนที่สุดที่ปัญหาสังคมเกิดขึ้นตวัว น, นี้ก็เพราะเราทำตามอำเภอใจไม่รู้จักยั้งคิดไม่รู้จักยับยั้งใจ อเห็นอะไรก็อยากได้อ่าเมื่อไม่ได้โดยเลขก็ต้องเอาด้วยคนเมื่อไม่ได้โดยมนุ์ก็ต้องเอาดา้วยคาถาหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้โดยสุจริตก็เอาด้วยทุจริตดังนั้นเราก็จึงมีการมีการฉกจิงวิ่งราวนะฉกจิงวิ่งยาววิ่งราวฉุดฆ่าอนาจารไอะไรกันนี่ยคมขืนฆ่าฆ่าคมขืนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเป็นเพราะเราปล่อยใจไปตามอำนาจอของกิเลส ก็คือทําตามอําเภอใจนะทาตามอําเภอใจในในอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนะนี่คือกรรมตัณหาข้อที่สองทวตัณหาก็คืออยากอยากมีอยากเป็นนะอยากมีโน่นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีนี่อยากอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ทําให้มันมันควรแก่ที่เราปรารถนานะ เราเพียดัวฝันลมลมแรงแรงอยากลมๆแรงแรงเป็นพวกสร้างวิมานในอากาศสร้างวิมานบนกองทรายพอน้ําทะเลขึ้นมาก็คลื่นเดี๋ยวก็เรียบนะไอกองทรายนที่เราก่อกันตาำชายทะเลเนะี่ยพอน้ํำทะเลซัดมาก็เรียบวิมานในอากาศมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะเพียงแต่ว่าเราเอาพยับแดดหรืออากาศนั้นมาวาดอยู่ในใจนะอันนี้มันไม่มีประโยชน์ นั้นไอ้ตัวอยากมีอยากเป็นนี่แหละมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์มากอ่กผู้หญิงก็อยากมีแฟนออยากมีแฟนอยากได้ผู้ชายเป็นคนดีอยากได้คนรูปลออยากได้คนรวยอผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงสวยๆอยากได้นางงามนี่อยากมีอผู้หญิงก็อยากเป็นออยากเป็นภรรยาของคนนั้นผู้ชายก็อยากเป็นสามีของคนนี้ที่ตนปรารถนา แต่เมื่อเป็นไปแล้วมันก็เกิดเบื่ออ่าเกิดเบื่ออีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอยากมีอยากเป็นอยากอยู่เรื่อยอ่าพอพอพอเบื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปมีที่อื่นนะก็ยังอยากต่อไปอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอยากอยู่ในพกนะติดในพกตัวเองเกิดเป็นอะไรที่มันอยู่สบายก็อยากจะอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงไป เค <N> ยนอนเคยนั่งในห้องหับที่ดีที่นั่งดีๆที่นอนดีๆนุ่มๆนิ่มๆก็ไม่อยากจากัดจากในที่นั้นไปนะติดอย่างนั้นอีกหละแต่ว่าถ้าหากว่าตัวเองนั้นไปอยู่ในที่ไม่ดีก็ไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นนะไม่อยากจะอยู่ในวกนั้นเนี่ยติดอีกแล้วนะติดทั้งน่นนะฉะนั้นอันนี้แหละเพราะเรานี่ที่เราไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงก็เพราะว่า เรามันไปอยู่กับของจอมปลอมของหลอกหลอ ก, หล อ, กหลอนๆเสียเยอะนะจึงทำให้เรานิ่หลงนะหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นมาในข้อที่สามก็คือวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นทีแรกอยากเป็นภรรยาไม่อยากเป็นภรรยาแล้วก็อยากจะมีมีลูกอ่านะเพราะอยากเป็นภรรยาเขาก็รู้สึกว่าสามีที่เราต้องการนั้นมันไม่ดีตามที่เราปรารถนาไว้ทีแรก นะ่ดูดีอยู่ไม่ใหม่ไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราไม่อยากจะเป็นภรยาเขาอีกแล้วไอ้การที่เราไม่อยากเป็นภรยาเขาอย่างนี้ลราจัดเป็นวิภาวะตัณหาอ่าแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะแค่นั้นนะแต่เราก็อยากมีกับคนอื่นต่อไปอีกนะอยากเป็นภรรยาของอื่นต่อไปอีกเนี่ยพวกภาษาชาวบ้านก็คือเบือ่อเบื่ออยากอยานะไอ้ตัวนี้แหละตัววิภาวะตัณหาอา้าวพอมีแฟนแล้วก็อยากมีลูกพอมีลูกแล้วนึกว่า มันคงสบายเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องช่วยให้เราหายความว้าเหวใจได้แต่พอมีไปแล้วไอ้ลูกมันว่านอนสอนยากเดิ้ลดึงแม่เราเบื่อนี่เราเบื่ออีกแล้วนะเราไม่อยากจะเป็นแม่นี่ไอ้ที่แรกอยากเป็นนะอยากเป็นแม่อยากมีลูกนะเข้านึกไม่อยากมีแล้วนี่เห็นไหมอันนี้แหละมันีจัดเป็นวิภาวตัณหานะนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์มาในข้อที่สา ก็คือนิโรธคือความดับทุกข์นะความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาโดยสิ้นเชิงดับโดยไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะหมายถึงดับกิเลสตัณหาโดยไม่เหลือนะดับหมดดับแนบสนิทนะนี่คือตัวนิโรธตัวที่สี่คือตัวมรรคก็คือตัวที่ขนทางให้ถึงความดับทุกข์นะมรรคในแปลว่าทางก็คือว่า ทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเรารู้เลยว่าความดับทุกข์มันมีทีนี้เราก็ว่าทางที่จะให้ดับทุกข์มันต้องมีต้องมีวิธีทางต้องมีเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆจะดับขึ้นมาเลยไม่ได้มันต้องมีเหตุฉะนั้นเหตุที่จะให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมักมีองแตกหนึ่งสัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบนะคือเห็นในอริยสัจสี่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคือดำริ ออกจากกรารนะดำริในความไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียดกันสามสัมมาวาจาก็คือเจรจาชอบก็คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจ้อสี่สัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบนะการงานชอบก็หมายถึงว่าเราทำการงานทางกายทางวาจาก็คือทำโดยสุจริตนะทำโดยสุจริต อ่าห้าอสามสี่เมื่อกี้หนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจา4ีสัมมากรรมันตะาการงานชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็หมายถึง ว, ว่าเลี้ยงชีพในทางสุจริตไม่หลอกลวงเขาหากินไม่โกหกเขาหากินสิ่งใดที่เป็นมิจฉาชีพคืออาชีพที่มันไม่ดีไม่งามที่สังคมติตเตียน หรือว่าเป็นอาชีพที่ทำลายสังคมประเทศชาติเช่นว่าค้าของเถื่อนหรือว่าสิ่งที่เป็นของเป็นพิษเป็นภัยร้ายแรงต่อบอลทำลายประเทศชาติเราไม่ทำนะไม่เอาอันนั้นเป็นวิจชาชีพดันั้นเราต้องสัมมาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ชอบในทางที่ดีที่งามที่ถูกไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมประเทศชาติและข้อหกสัมมาวายามะก็คือเพียรชอบเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น ในจิตใจของเราแล้วก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราให้หมดไปแล้วก็เพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็เพียรตามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมไปและเจ็ดสัมมาสติก็คือระลึกชอบนะระลึกชอบการระลึกชอบนั่นก็คือว่าให้ระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายมีสติพิจารณกายในกาย มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราพิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายและก็สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิก็คือการตั้งใจมั่นการตั้งใจมั่นชอบ ไอ้คำว่าตั้งใจมั่นทอก็คือตั้งใจถูกนะตั้งใจไว้ถูกใจเป็นสมาธิก็คือใจสงบคนเราเมื่อใจสงบก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าสมาธิพิขเวภาเวทะสมัยโตยะถาภูตังปชานาติว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่แต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นก็รู้ไม่ตามความเป็นจริงก็คือยังรู้ผิดยังรู้หลอกหลอกนะยังรู้ไม่ถูกแต่ถ้าใจตั้งมั่นแล้วก็คือเหมือนกับน้ําที่มันตกตะกอนใสมันมองเห็นอะไรได้ชัดแจ่มแจ้งไม่ผิดไม่พลาดนรู้ถูกเห็นถูกมันก็สบายนะแต่ถ้าตราบใดที่น้ํามันยังไม่ตกตะกอนมันก็ขุ่นมัวเห็นอะไรมันก็ผิดพลาดเห็น รังรังจิตใจคนเราเหมือนกันถ้ามันยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิมันก็ใจมันก็ขุ่นงัวอ่าด้วยกิเลสตัณหามันก็ยังต้องผิดต้องพลาดอยู่ทนก็ผิดคิดก็ผิดพูดก็ ผ, ดผิดผิดไปหมดเลยฉะนั้นต้องส้ำ ม, มาสมาธิก็คือตั้งใจมั่นชอบแล้วนั่นแหละคือตั้งใจไว้ถูกอย่างนี้ใช้ได้นี่คือเรียกว่ามัสมีองคศาอย่างนี้ก็คือที่ว่าพระองค์รู้ดีรู้ชอบนั้นก็คือได้แก่ รู้อริยสัจสีนั่นเองทีนี้การรู้ของพระองค์นั้น อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นหรือว่าเรียกได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะมีคุณอยู่เก้าประการนะมีคุณอยู่เก้าประการแต่โดยย่อ ก, ก็มีสามก็คือพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณแต่โดยพิสดารแล้วก็มีอยู่เก้า ที่เราเรียกว่าณวหรคุณเก้านะณวหรคุณเก้าแต่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าณวระหคุณนะณวระหคุณแต่ว่าเราไปเรียกกลับกันไปเรียกเป็นว่าณวหรคุณนะฉะนั้นอันนี้แหละอที่เราควรทราบไว้เหมือนกันทีนี้พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประการนั้นทย่นย่อแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วน ก็คือพระคุณที่จัดเป็นอัตตสมบัติ อ, อย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นสมบัติในส่วนส่วนพระองค์แล้วประเภทที่สองก็คือว่าเป็นพระคุณที่จัดเป็นพระหิตธสมบัติก็พีก็หมายถึงว่าเป็นสมบัติเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นอันนี้ก็จะได้ขยายความต่อไปอีกว่าถ้าผู้มีพระภาคนั้นทรงรู้จักพิ่นฐานบ้านเมืองต่างๆทะลุปลุกปลง รู้จักอัตยาสัยของคนต่างถิ่นต่างชั้นเรียกว่ารู้หมดรู้จักยังเห็นเหตุอันตรุงแต่งคนเหล่านั้นพร้อมทั้งถิ่นฐานได้อย่างดียิ่งนะไม่ไม่มีไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ฉะนั้นที่พระองค์ได้รู้อย่างนี้แหละจึงทําให้พระองค์นั้นแสดงธรรมโปรดผู้หนึ่งผู้ใดจึงได้ผลนะจึงได้ผล และที่พระองค์ได้รู้อย่างนี้ก็คือพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอ่าของโลกและของทุกๆคนด้วยอของทุกๆคนด้วยฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้นามว่าเป็นโลกาวิทูคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แจ้งโลกเมื่อพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกอย่างนั้นแล้วจึงไม่รักไม่หลงอไม่หลงโลกไม่มัวเมาในอารมณ์อันยั่วยวน จ, จิตใจ ไม่สะดุ้งหวาดหวนันไม่หวาดกลัวเพราะอารมณ์อันคุกคามให้ตกใจกลัวนะทรงมีจิตใจมั่นคงอยู่ในปฏิปทาอันชอบนี่แล้วยิ่งไปกว่านั้นอาการที่พระองค์ได้รู้อย่างนี้แหละจึงทำให้พระองค์นั้นเรียกว่าสามารถที่จะไปดีไอ้คำว่าไปดีก็คือได้นามว่าสุขโตนะได้นามว่าสุขโต นะก็คือผู้เสด็จไปดีหรือท่านผู้ดำเนินไปดีท่า น, นปฏิปทาของท่านผู้ที่ดำเนินไปดีนี้ก็ล้วนเรียกว่าจรณะนะจรณะเพราะเป็นเครื่องอก้าวไปหาวิชาไปหาความรู้พิเศษหาความแจ่มแจ้งพระองค์ทรงมั่นในปฏิปทาที่อยู่จึงได้บรรลุวิชาความรู้อย่างสูงอันนี้แหละจึงทาให้จิตของ พระองค์นั้นพ้นจากโมู่มารหมู่กิเลสนะที่จะคอยรั้งรัดจิตใจของชาวโลกให้ตกอยู่ในฝ่ายชั่วฉะนั้นพระองค์จึงได้นามว่าเป็นวิชาจรณะสมปันโนคือพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและความรู้และจรณะคือปฏิปทานั่นเองฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอย่างนี้แน่นอนที่สุดพระองค์นั้น จึงได้นามว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะคือท่านผู้รู้ชอบด้วยพระองค์เองนะผู้รู้ชอบด้วยพระองค์เองก็คือว่ารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์เองด้วยรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนะการรู้อย่างนี้แหละรู้ด้วยพระปัญญาอย่างยิ่งนะจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะหรือสัมมาสัมพุทโธนะทีนี้เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้ว ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความรู้ของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวงควรแกร่การนับถือควรแกร่การนับถือของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าบัณฑิตทั้งหลายจึงพระเอาเหตุอันนี้มาถวายพระนามว่าอารหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสนะผู้ไกลจากกิเลสอันนี้แหละเป็นเรียกว่าพระคุณส่วนตนนะเป็นอัตตสมบัติส่วนตน ส่วนปาริยิตะสมบัตินั้นก็ก็หมายความว่าพระองค์นั้นอเป็นถ้าหากว่าใครมาคบเข้าแล้วก็ผู้ใดที่ครบพระองค์ก็ย่อมจะทรงสั่งสอนผู้นั้นให้ได้รู้จักความดีความชั่วพระองค์ได้แจกอาจแจกทรรให้เข้าใจแจ้งชัดด้วยเหตุอันนี้พระองค์จึงได้นามว่าภควาเป็นภควาแปลว่าผู้จําแนกธรรมนะ ผู้จำแนกธรรมทรงแจกธรรมคำสั่งสอนให้ประชาชนได้บรรลุอย่างดียิ่งนะทั้งในส่วนโลกีทั้งในส่วนโลกุลตระและยังคนที่ไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจยงคนที่เข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็ให้คนผู้นั้นได้หายจากความรุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างนะหายสะดุ้งหายกลัวนะ มาทำให้เป็นคนตื่นตาตื่นใจนะไม่หวาดกลัวอะไรอีกแล้วจึงได้นามว่าพุทธโธนะคือเป็นผู้ตื่นนะเป็นผู้ตื่นนี่เป็นผู้ตื่ น, <c oughs> น, นทีนี้เมื่อทุกคนได้เป็นผู้ตื่นตาตื่นใจไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวต่อกิเลสตัณหาหรือพวกภัยต่างๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงสั่งสอนพวกเราชาวโลกต่างๆนั้น ให้รู้ตามฐานะของตนนะคืหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะได้มรดยได้ผลได้นิพพานแต่บางคนอาจจะไม่ได้นะแต่ก็อยู่ตั้งอยู่ในกัลยาณชนอ่านะแต่โดยมากที่พระองค์ได้สงโปรดนั้นก็มักจะได้บรรลุมักผลนิพพานตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอารหันนะที่ไม่บรรลุก็มีเยอะนะอันนี้ก็เพราะว่ายังมีกิเลสหนานแน่นอยู่อันนี้แหละพระองค์จึงได้นามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานางัง แลว่าท่านผู้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงสั่งสอนอประชาชนเป็นอันมากให้รู้จักให้รู้จักดีรู้จักชั่วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระองค์นั้นรู้จัก อ, อัธยาศัยของอบุคคลแต่ละคนว่าแต่ละคนนั้นมีอัธยาศัยเป็นอย่างไรพระองค์ก็พยายาม เอาธรรมะที่สแสดงนั้นให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของผู้นั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงได้นามว่าอนุตตรโอริสธรรมสารถีก็คือว่าถ้าเป็นท่านเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษผู้ควรทรมานได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าฉะนั้นพระคุณทั้งสีข้างท้ายนี้จึงจัดว่าเป็นพระอิตตสมบัติก็คือว่าเป็นสมบัติเพื่อผู้อื่นเป็นเพื่อประพฤติไปเป็นไปเพื่อผู้อื่นนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอคนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาพูดถึงพระธรรมบ้างที่บอกว่ า, าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วคาว่าที่ชั่วในที่นี้ซึ่งท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจคำว่าที่ชั่วในที่นี้นั้นมีอยู่สองอย่างก็คือที่ชั่วในภพนี้กับที่ชั่วในภพหน้านะที่ชั่วในภพนี้ก็คือได้แก่เครื่องพันธนาการต่างๆ นะเป็นต้นว่าคุกตารางพวกเรือนจำนี่หรือพวกโจรภัยต่างๆหรือพวกแหลงอบายมุกต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นที่ชั่วในพบนี้นะที่ชั่วในพบนี้เั่นั้นส่วนที่ชั่วในพบหน้าก็ได้แก่พวกอบายภูมินะอบายภูมิก็หมายถึงว่าพวกเปรตพวกนรกพวกอสุรกายพวกเดรฉ า, านนี่ถือว่าเป็นที่ชั่วในพบหน้า ที่เราจะต้องไปเสวยต้องไปได้รับนะแต่ที่เรา <c oughs> จะได้รับในปัจจุบันนี้ก็มีนะก็มีเรียกว่าเราเป็นเปรตในร่างของมนุษย์ผู้ใดมีความโลภคนนั้นก็เป็นเปรตในร่างของมนุษย์ผู้ใดมีความโกรธมีโทสะก็เป็นสัตว์นรกในร่างของมนุษย์ผู้ใดมีความหลงมีโมหะมากก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์นี่ผู้ใดมีความวิตกกมีความกังวล มีวิจิกรช้าความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้นั่นก็เป็นพวกอสุรกายอคือไม่กล้าไม่กล้าทำํำนะต้องจะทําอะไรก็อย่างเรียกว่ายังปิดเลิกยามยังต้องไปปรึกษาคนโน้นคนนี้เพื่อถามดูว่าเลิกดีไหม ย, ยามดีไหมออันนี้แหละเรียกว่าเป็นพวกอสุรกายคือยังไม่กล้านะยังไม่กล้าฉะนั้นคนที่ได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วทั้งสองประกาศคือที่ชั่วทั้งหนพบนี้ที่ชั่วทั้งหนพบนอ่าอันนี้ก็มีหลักรับรองไว้ว่าณทุกขติธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติก็คือไม่ไปสู่ที่ชั่วหรือธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทีนี้พระธรรมนี่ พูดถึงพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนก็เคยได้พูดไว้แล้วว่าแยกออกเป็นสองประการก็คือคําสั่งก็ได้แก่ทวีไนเป็นส่วนศียนคาสอนก็ได้แก่พระธรรมที น, ทนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามทํานองตรองธรรมให้ถูกต้องตามคาลเทศะผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมาฉะนั้นพระธรรมนั้นก็ประกอบด้วยคุณหประการ เราประกอบขึ้นในคุณหกประการอที่เราสวดกันว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมนั่นแหละฉะนั้นคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเรียกว่าเป็นคําสั่งสอนที่มีประโยชน์ไม่วิปริตผิดไปจากความเป็นจริงฉะนั้นจึงได้นามว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในทถ้ำกลางไพเราะในที่สุดนะไพเราะในที่สุดฉะนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายพูดถึงพระทําทแล้วก็ อยากจะขยายความให้กว้างออกไปกหน่อยว่าที่เราได้สวดกันว่าสวาขาโตภควะท้าธรรมโมที่แปลว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วอันหนึ่งพระธรรมนั้นอันผู้ใดได้บรรลุหรือว่าย่อมรู้เองเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามคำผู้อื่นอย่างนี้จึงได้ชื่ว่าสันทิฏฐิโกนะสันทิฏฐิโก แปลว่าอันผู้ได้บรรลุคจะพึงเห็นเองคือหมายความว่าใครปฏิบัติเองก็เห็นเองนะใครไม่ปฏิบัติผู้นั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นเรากินเองเราก็อิ่มเองนะกินอาหารเองเราก็อิ่มเองไม่กินมันก็ไม่อิ่มนอันนี้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นปัจจดตังนะใครทำใครได้ใครปฏิบัติใครรู้นะใครปฏิบัติใครเห็นไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นฉะนั้นอันนี้แหละก็ ฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดว่ า, าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นจะเกิดประโยชน์ได้นั้นต้องปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติเองต้องทำเองจึงจะได้ถ้าไม่ปฏิบัติเองไม่ทำเองไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเองอย่างนี้แค่นั้นไม่พอก็คือว่าพระธรรมนั้นเป็นผลที่จะให้เราได้บรรลุตามที่เราปฏิบัติมากน้อยอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรแน่นอนที่สุด การปฏิบัตินั้นย่อมไม่เกี่ยวกับการจึงแนะนำว่าอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการอเพราะเมื่อไรปฏิบัติได้เมื่อนั้นนะอีกอย่างหนึ่งพระธรรมนั้นเป็นคุณอันอัศ จ, จรรย์อเป็นสิ่งที่ประหลาดเรียกว่าเรียกมาดูกันได้เรียกมาชมกันได้จึงแนะนมว่าเอหิปัสสิโกเรียกว่าเรียกมาดูกันได้มาพิสูจน์กันได้อพระธรรมนี่ทนต่อการพิสูจน์ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นนะ นะยิ่งปฏิบัติมากก็ยิ่งเห็นมากยิ่งเรียนศึกษามากก็ย่อมรู้มากนี่เป็นเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและยิ่งไปกว่านั้นพระธรรมเป็นคุณที่เราทุกคนควรนอบน้อมมาไว้ในใจหรือว่าควรนําเข้าไปหานะควรน้อมใจเข้าไปหาอย่างนี้แหละจินได้นามว่าโอปานะยิโกแปลว่าควรน้อมเข้ามาหรือน้อมใจเข้ามา อ, อ, อันหนึ่งพรธรรมนั้น ผู้ใดได้บรรลุผู้นั้นก็รู้แจ้งเฉพาะตัวเองอผู้ใดปฏิบัติจะให้คนอื่นไม่ปฏิบัติได้รู้ไม่ได้ผู้อื่นไม่ไม่รู้ได้อะฉะนั้นจึงได้นามว่าปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตัวเองนี่แหละเป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งหมด6กประการดังที่ว่ามายย่อส่วนพระสงฆ์นั้นที่บอกว่าพระสงฆ์ก็คือมูสาวกที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็อบรมสั่งสอนให้ประชาชนได้รู้ตามอันนี้พระองค์นั้นก็พระสงค์นั้นก็มีคุณอยู่เก้าประการที่เราสวดกันว่าสุ ป, ปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงนะไม่ผิดไม่พลาดยายะปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้นะแล้วก็สามีจิปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติเอเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติควรแก่ได้รับการสันเสริญ น, นะควรแก่การได้รับการสันเสริญเรียกว่าไม่ผิดไม่พลาดเป็นผู้ปฏิบัติสมควรฉะนั้นอันนี้แหละเป็นพระคุณที่มีอยู่ในพระสงฆ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราบอกว่ า, าพระสงฆ์นั้นที่อบรมสั่งสอนให้ประชาชนรู้ดีรู้ชอบนั้นเมื่อเราได้รับอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะอุปถัมบำรงาตามโอกาสอันสมควร เพราะว่าเรื่องวัดกับบ้านนั้นจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันดังคํากลอนที่บอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดขัดกันช่วยยิงอวยใจถ้าขัดกันก็บรรลัทั้งสองทางเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจมาภาพได้บรรยายเรื่องคุณของพระ น, นนะัณฐนิยายนะโดยเฉพาะ ในข้อประสงค์ก็ไม่สมบูรณ์นักก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร